เขามีพ่อบ้านคนหนึ่งเขาฟังเรื่องปล่อยวางมากแม่บ้านเขาป่วยเขาก็เลยก็บอกเขาปล่อยวางแล้วคำกันก็น เ, เลยไม่ดูแลเลยลูกพ่อเครื่องใหญ่เลยนะปล่อยไม่ดูมแลแม่แรนะื่อนันอันนั้นก็เกินไปก็เลยเป็นอนอนตตาแบบนั้นนะบางท่านก็เลยว่าอนาตตาที่ไม่ใช่ของมนุษย์ ว่หนักๆเข้าก็เลยไม่ต้องทำอะไรสักอย่างแต่ทีนี้ถ้าเราสังเกตนะสูตรเมื่อกี้เนื่อกล่าวถึงว่าถ้าจบนะเขาจะรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้เขาจึงทำที่สุดแห่งทุกได้เขาบอกว่ารู้ยิ่งรู้ยิ่งสั์นี้เท่ากับอะไรอริยสัจกำหนดรู้เนี่ยนะ กำหนดรู้ตัวนี้เนี่ยนะก็เท่ากับเป็นตีระปริญญากับปะหานะปริญญารู้ยิ่งบางในก็หมายถึงยาตะปริญญาเนี่ยนะก็เป็นยาตะปริญญา <c oughs> เพราะฉะนั้น เ, เมื่อทากิจเสร็จเนะี่ยก็จะเป็นอย่างนี้นะก็ทากิจรู้ยิ่งสิ่งที่ควรรู้ยิ่งกำหนดรู้สิ่งที่ควรกำหนดรู้แล้วจบต้องเป็น พระอรหันต์อันนี้คือที่จบของเข้านะแล้วก็พูดถึงภาษะภาษาสมุทัยแบบนี้นะภาษานิโรธถ้าถ้าจะสรุปนะภาษะภาษาสมุทัยภาษานิโรธเียนะถ้ารอบรู้อย่างนี้ก็ได้ดีแล้วนะ ออกมาถ้าถ้าจะให้คิดคิดอีกอย่างห น, นึ่งเนี่ยนะพอลืมตาเห็นก็นั่งนึกว่าเออภาษะภาษาสมุทัยภาษานิโรธภาษานิโรธถ้าคามินีปฏิปทาคิดอย่างนี้ได้บ้างหนึ่งก็โอ้ได้อา น, นิสงส์เยอะแล้วเนะแต่ถ้าจะเอาแบบพ้นทุกจริงๆก็ต้องทำอย่างเงี้ย0 เ, เว้นแต่หลับคือถ้าจะเอาแบบเอาบรรลุแบบทาที่สุดแห่งทุกแบบที่ในธรมพีท่านว่านะ ก็ต้องเว้นแต่หลับคิดแต่เรื่องนี้เนี่ยนะจะได้ว่า <c oughs> ในเรื่องการเจริญพัฒนาเนี่ยพระองค์ทรงแสดงไว้หลายหลายแบบหลายหลายวิธีเยทรงชี้ให้เห็นหลายแบบหลายวิธีด้วยถถ้าเป็นพระผู้มีพระภาคแสดงอริยสัจเนี่ยนะ ว่าให้ตรงเนี่ยอัตกถาท่านไว้หละแสดงไว้หลายแห่งคืออย่างว่านิพพานเหมือนกับมหาสมุทรเนี่ยนะนิพพานเหมือนมหาสมุทรก็พูดถึงว่าถ้าที่จะยังลงมหาสมุทรเนี่ยนะมากเท่าไรฉันใดก็ดีเนี่ยน ะ, ะพระนิพพานเนี่ยมีเยอะเนี่ยคือคือกว้างใหญ่ไพศาลมากถ้าหากว่าเข้าใจข้อปฏิบัติเนี่ยนะจะด้วยข้อปฏิบัติตามอันไหนก็สามารถตรัสรู้ได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าเลยเลยขอบเขตอีกนะเขาก็มีธรรมะกลุ่มที่จะให้ตรัสรู้ อ, อริยสัจอย่างถ้าใครทรงจำพุทธคุณบทว่าสัมมาสามัมพุโทโธเนี่ยมีสองร้อยกว่าบทใช่ไหมที่จะทำให้เห็นอริยสัจได้คืออะไรบ้างชุดที่หนึ่งนะอายตนะภายใน หเนี่ยนะชุดที่สองก็อายตนะภายนอกหกชุดที่สามก็วิญญาณหชุดที่สี่ก็ภาษาหชุดที่ห้าเวทนาหชุดที่หกก็สัญญาหเนี่ยนะที่เจ็ดก็เจตนาหกแล้วก็ตัณหาห วิตกหกวิจารหกอ น, นะถ้าอริยสัจเลยอะ่ะจะนิยมมนันนี้อริรยสัจเดินะถ้าเป็นหมวดไหนที่เป็นกลุ่มอริยสัจนิเทศจะเอาธรรมะหกสิบนี่มาแไม่ใช่ถึงหกสิบไหมันนะเอาธรรมะหกสิบนี่มาสแสดงในฐานะทุกขสัจเพราะฉะนั้นทุกบทน ะ, ะทุกหกสิบก็เท่ากับสมุทัยอีกหกสิบ อันนะั้นอะไรอีกนิโรธ60สิบมักก็ต้องหกสิบเนี่นะฝันสามารถหยิบเอาบทใดบทหนึ่งแล้วก็แทงตลอดอริยศาสตรตามนี้ได้เลยเช่นว่าเอาวิญญาณ น, นะจกักรวิญญาณเนี่ยนะจกักรวิญญาณจากักรวิญญาณสมุทยัยจกักรวิญญาณ น, นิโรธจกักรวิญญาณ น, นิโรธทฆามมินีปฏิปทา ถ้ามองในแง่าการตรัสรู้แล้วทุกบทตรัสรู้ได้หมดเลยแต่ว่าตรัสรู้อริยสัจเนี่ยนะอันนี้นี้อีกในหนึ่งทีนี้ถ้าหากว่าสำหรับบางท่านเขาเขาชอบอัทยาศัยธรรมะอีกชุดหนึ่งที่ไม่แสดงแบบนี้แต่ถ้าอย่างสูตรเมื่อกี้ยกเอาอะไรมาภาษาใช่ไหมชุดในปรายณสูตรเนี่ยที่สูตรแรกก็คือภาษภาษาสมุทัยภาษานิโรธเนี่ยนะก็เอาเอ า, เอาบทนั้นมา แต่ถ้าหมวดต่อไปก็จะว่าด้วยเวทนาเวทนาสมุทัยเวทนานิโรธเนี่ยนะก็จะว่าไปอย่างนั้นแต่ถ้ามีอีกชุดหนึ่งต่อไปเนี่ยนะก็คือขันห้าอันนี้สําหรับผู้มีปัญญามากเนี่ยนะหรือบางท่านก็เป็นธาตุธาตุนี้ก็มีกลุ่มธาตุหเนี่ยนะคือกลุ่มธาตุสหรือกลุ่มธาตุหอย่างหนึ่งแล้วก็กลุ่มธาตุสิบแปนี้อีกในหนึ่งเนี่ยนะแล้วก็กลุ่มอายตนะ กลมายตนาสิบสอเนี่ยนะกลุ่มอินรีเนี่ยนะอินรีที่ที่การเจริญเนี่ยมีอยู่19เว้นโลกุตระโลกุตระอินทรีย์แล้วก็มีปฏิจจะปฏิจจะนี้สิองคือทั้งอนุโลมและปฏิโลมเนี่ยนะในแง่อนุโลมก็ได้ปฏิโลมก็ได้เนี่ยนะ บางท่านก็พูดถึงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งปวงล้วนแต่มีความดับไปเป็นธรรมดาอันนั้นก็อีกในหนึ่งอัน น, นทีนี้กลุ่มเนี่ยเป็นเป็นการแยกประเภทกลุ่มธรรมะมันยังมีกลุ่มอย่างอื่นอีกที่เขาสามารถตรัสรู้ได้คือพวกที่เป็นอันนี้ขอไปนะ น, นี้เป็นวิปัสสนาญาณิกกลุ่มวิปัสสนาล้วนๆแต่จะมีกลุ่มวิปัสสมาฏานนำหน้าอีก เนี่ยนะสมถายานิกะกลุ่มสมถายานิกะนั้นะสามารถมาจากอะไรกะสินสิบเนี่ยนะอาสุภา10สิบอนุสติสิบเนี่ยนะพรหมวิหารสี่สัญญาก็สัญญาเอาแบบอาสุภาษแล้วกันอันเดียวพรหมวิหารสี่แล้วก็ยังมีอรูป สมาบัติอีกอรูปสมาบัตรอีกสี่เนี่ยนะเนี่ยนะแล้วก็อาการสามสิบสองเนี่ยนะเขากจ็จะมีกลุ่มนี่ชาอีกสี่เนี่ยนะอันนี้กลุ่มสมถยานิกแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่เน้นวัตตามากมา ก, กลุ่มนี้จะพิจารณาเรื่องวัตตะมาก วันนี้ก็จะพิจารณาโดยพบ ม, มีเอกะโวการพบเป็นต้นอีกกลุ่มหนึ่งก็พบ3เหมือนกันก็คือกลุ่มสัญญาพบเป็นต้นเนี่ยนะนะอีกพบหนึ่งก็คือพบสากามมาพบเป็นต้นเนี่ยนะนะอีกกลุ่มหนึ่งก็พิจารณาโดยกำเนิด4อีกกลุ่มหนึ่งก็คติหกลุ่มหนึ่งก็ วิญญาณที่ตดอีกหนึ่งก็สั ต, วตาวาส9กาะนะทุกกลุ่มนี่สามารถแทงตลอดอริยสัตว์ได้หมดเลยเพราะฉะนั้นใครคิดอย่างลงค่าไหนก็ลงให้มันได้สักค่ า, าปัญหาถ้าจะลงมันจะไม่มีปัญหาหรอกเวลาวันชอบท่าไหนจะไปบอกว่าโอ้สงสัยผมไม่รู้จะไปยังไงมันเยอะจัดหรือเปล่า คือพูดถึงถ้าเป็นสมัยพุทธกาลเนี่ยนะผู้แสดงเนี่ยมีอาสานุสยายานมีอินทรยปรโรปริยติยานหรือสรุปว่าพระพุทธเจ้ามีอาสาธารณาญาณเนี่ยนะอาสาธารณญาณ6ที่พระองค์มีอยู่แล้วจริตของสรรพสัตว์นี้ไม่มีที่สิ้นสุด พระองค์ก็สามารถเอาหมวดธรรมทั้งหลายเหล่านี้มาจำแนกแจกแจงโดยนยัยยะต่างๆอันนี้นี่อีกกลุ่มหนึ่งนะอันนี้พูดแบบทั้งหมดที่กล่าวไปนี่กลุ่มสุตตันตในกลุ่มที่แสดงแบบพระสูตรและบรรลุแบบพระสูตรมันจะมีอีกกลุ่มหนึ่งคือบรรลุเพราะแสดงแบบอภิธรรมเห็นไหมโดยเอามาติกาเนี่ยนะติกะมาติกา2ี่ทกามาติกาหนึ่งสุตตันตมาติกาเ น, นี่ยเท่าไหร่สี่สิบสนไ 42แล้วก็มาติกาเหล่าเนี้ยมามาขยายถ้าเป็นธรรมสังเขนี้ก็ว่าเป็นกันเนี่ยนะขยายเป็นเรียกว่าจิตตุปาถกันนะนิเขปกา น, นะอัตถุธารการ น, นะอัตคาถากา น, นะแล้วก็ยังผู้อันเนี้ยเอาไปจําแนกเป็นวิพังสิบแเนี่ยนะเอาเอาที่ว่าไปเนี่ยมาจําแนกเป็นวิพังสิบแมาเป็นธาตุคาถาธาตุคถาสิ่เนี่ยนะสิในใช่ไหมคุณชูศรีธาตุคาถ า, ถากี่บทกีทก่ใน จะสอบอยู่แล้ว น, นะสิบสี่ในอ่ะนะธาตุกระฐานี่สิบสีในแล้วก็ยังมีกลุ่มคนอีกต้องศุประมวลพวกนี้ลงเป็นกระถาวถัตถุต้องต้องขอไปคือแสดงเป็นบุคคลบัญญัตเนี่ยนะมาบัญญัติถึงผู้ปฏิบัติเหล่านี้โดยความเป็นบุคคลต่างๆก็จะเป็นคำพีบุคคลบัญญัติแล้วก็ประมวลถ้าเข้าใจผิดเนี่ยนะแก้รับที่โดยเข้าใจผิดจากขับคําเหล่านี้พวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มกระถาวัตถุ หรือบางพวกที่ชอบฟังอะไรเป็นชุดๆุดฟังเป็นคู่คู่เนี่ยนะพระองค์ก็จะแสดงยะมะกะแต่ถ้าผู้ใดจะชอบแบบปัจจัยมองเหตุมองผลอย่างเต็มที่เนี่ยนะในไม่มีที่สิ้นสุดก็เอาปัฐานไปเนี่ยนะปัฐานเนี่ยมีโดยปัจจัยนะมีอยู่24ปัจจัย24ปัจจัยนี้ก็มาคูณตามพวกมาติกาเหล่านี้ ตามติกะทุกกะิกะทุกกะทุกกะติกะกติกะทุกกะทุกกะทุกทกะติกะติกะเนี่ยนะก็มาคูณตามปัจจัย24แล้วก็มาแบ่งตามวาระเจ็เนี่ยนะมหาวาระเจ็มหาวาระเจ็ไปคูณนัยยะอีก4เนี่ยนะก็จะมีเป็นตัวเลขประมาณสักสิสหลักเห็นไหมก็ขยายไปโดยในไม่มีที่สิ้นสุดเนี่ยนะ แล้วก็ใน ส, สรรพสัตว์ไม่มีที่สิ้นสุดบางพวกนี้ฟังบรรลุเพราะมหาปฐานก็ต้องยอมรับนะว่ากลุ่มผู้ที่บรรลุฟังบากบรรลุฟังมหาปฐานแต่บางพวกเขาก็ไม่ไม่ถึงกับมากมายอะไรขนาดนั้นหรอกเนี่ยนะแต่อย่าลืมว่ากลุ่มที่บรรลุโดยที่ไม่ได้ไปรับรอบรู้ซับซ้อนอะไรมากนะักก็เขาก็บรุเหมือนกันแต่สอนไม่ได้เนี่ยนะพระสารีบุตรก็บรุพันธาทหารเหมือนกัน ภาษาบุตรกับพระที่พูดคาถาเดียวนะเป็นพระอรหันต์ไม่ต่างเลยโดยความเป็นพระอรหันต์แต่ว่าในการสอนสิ่งเหล่านี้ต่างกันมากๆนยนะหาที่สุดไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตามอัธยาศัยเียนะวิธีการพูดธรรมนั้นถ้าถ้าตั้งจิตไว้โดยสุดจิตใจนั้นน่ะู้แสดงธรรมนั้นน่ะควรกล่าวธรรม ไม่ควรทำให้เสียธรรมคือกล่าวให้เป็นธรรมเนี่ยนะจะกล่าวหมวดไหนหมวดหนึ่งในนี้ได้หมดเลยจะไม่ผิดด้วยแต่ว่ากล่าวให้อยู่นะแล้วห้ามปฏิเสธที่อื่นปฏิเสธที่อื่นเมื่อไหร่เสียธรรมนะก็เหมือนกับยอมรับพระองค์เนี่ยพระพักงามมากแต่ว่าขายาวไปหน่อยอย่างเงี้ยอย่างงี้ก็เท่ากับถ้าเราปฏิเสธนะสมมติว่าเออสูตรนี้ดีแต่สูตรอื่นใช้ไม่ได้ ก็เท่ากับแบบพระพักงามมากแต่ว่าพระกันไม่ค่อยสวยเอาพระกันออกไปเนี่ยนะหรือถ้าพูดคำนวนดีกาท่านบอกว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคแสดงไว้8ป0 0 0สี่พันพระธรรมขันแต่ละธรรมขันท่านก็บอกว่าเท่ากับพระพุเทอเจ้าหนึ่งองค์ถ้าเราปฏิเสธธรรมขันใดธรรมขันหนึ่งก็บอกว่าพระผู้เทอเจ้าองค์นี้ไม่จําเป็นเนี่ยนะก็เสียหายมากเนี่ยนะเขาก็ห่างพระรัตนตรัยไป เพราะฉะนั้นควรกล่าวให้เป็นธรรมไม่ควรกล่าวให้ไม่เป็นธรรมให้เสียธรรมเนี่ยนะก็ที่เป็นก็ได้บุญไปที่ไม่เป็นก็ได้บาปไปก็โทษของวัตตะเป็นอย่างนี้แหละอันนี้แบบในที่สองบ้างนะในในแรกนะผัสสะในที่สองที่ภิกษุอีกรูปหนึ่งนะท่านบอกว่าอดีตเป็นส่วนสุดที่หนึ่ง อนาคตเป็นส่วนสุดที่สองปัจจุบันเป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัตผูกก้การเขียนได้กันะเนเพราะว่าตันหา ย, ย่อมร้อยรัตอดีตอนาคตและปัจจุบันนั้นไว้เพราะเป็นที่เกิดขึ้นแห่งพบนั้นๆด้วยเหตุเท่านี้แลภิกษุเชื่อว่าย่อมรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งย่อมกำหนดรู้ธรรมะที่ควรกาหนดรู้เมื่อรู้ยิ่งธรรมะที่ควรรู้ยิ่งกาหนดรู้ธรรมะที่ควร กำหนดรู้ย่อมเป็นผู้ทำที่สุดแห่งทุกในปัจจุบันเทียวอดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยนะอดีตเป็นส่วนสุดที่1อนาคตเป็นส่วนสุดที่2ปัจจุบันเป็นส่วนท่ามกลางทีนี้อดีตอนาคตปัจจุบันนี้เอาอะไรมาว่าคืออดีตอนาคตปัจจุบันเนี่ยเป็นเป็นการแสดงนะ แล้วไอ้ที่รองรับการแสดงเนี่ยหมายถึงอะไรอันนี้นะพูดในหนึ่งก็เหมือนคนเนี้ยมาคนนี้ไปคนนี้กําลังอยู่นะแต่ว่าคนไหนล่ะ น, นะนี้ก็เหมือนกันพูดถึงอดีตอนาคตและปัจจุบันอะไรอดีตอะไรอนาคตและอะไรปัจจุบันล่ะในนี้อัตถกถาท่านบอกว่าขันนะขันที่เป็นอดีตขันที่เป็นอนาคตและขันที่เป็นปัจจุบันขันที่เป็นอดีตก็ถือว่าส่วนสุดที่หนึ่งใช่ไหม ขันที่เป็นอนาคตก็เป็นส่วนสุดที่สองขันที่เป็นปัจจุบันก็เป็นส่วนท่ามกลางตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดคือตันหานี่รัดหมดอ่ะว่างั้นเถอะแกจะอดีตฉันก็รัดอนาคตฉันก็เอาปัจจุบันฉันก็ยินดีว่างั้นเถอะอ่าสิปฏิตัหาสิปฏิ จะเรียกสังโยชน์ก็ได้ไม่ผิดอะไรอันนั้นคือตันหาเนี่ยยึดทั้งส่วนออดีตส่วนอนาคตแล้วก็ส่วนปัจจุบันข้ออุปมาเนี่ยนะอันนี้เหมือนกับไม้หนึ่งท่อนอันนี้ก็ไม้ท่อนหนึ่งนี้ก็ไม้อีกท่อนหนึ่งถ้าไม้สามท่อนตันหาเนี่ยเป็นตัวมัดไม้สามท่อนนี้เอาไว้ให้ ให้มันติดกันหมดเลยเห็นไหมมัดเอาไว้หมดทีนี้เมื่อตันหาเขามัดไว้อย่างนี้เนี่ยนะตันหาก็เป็นเครื่องร้อยรับถ้าหากว่าผู้ที่เรอ่อกาหนดรู้สิ่งที่ควรกําหนดรู้ละสิ่งที่ควรละเนี่ยนะผู้นี้ก็สามารถทําที่สุดแห่งทุกได้ถ้าแสดงในแง่ขันนะขันที่เป็นปัจจุบันเนี่ยเน้นเน้นอะไรถ้าถ้าวิธีขยายปัจจุบันนี้มีหลายในใช่ไหม ถ้าถ้าจะเอาปัจจุบันมาตั้งนะหนึ่งปัจจุบันนะอัฐาสองปัจจุบันนะสันตเตสามปัจจุบันนขณะเนี่ยนะยนะพูดตรงตรงโดยสภาวะที่แท้จริงแล้วต้องเป็นต้องเป็นขณะเนี่ยนะยนะถ้าโดยสภาวะที่ตรงจริงๆต้องว่าโดยขณนะโดยโดยการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเนีย่ยนะเขาเขาพูดโดยเนีจะเป็นอยังไง ประกอบไปด้วยอุปาทถีติแล้วก็บังคะเนี่ยนะอุปาทถีติพังคะอ่นนะก่อนหน้านี้เป็นอดีตหมดหน้านี้เป็นอนาคตไอ้ท่ามกลางนี้เป็นปัจจุบันแต่ทีนี้ถ้าหากว่าเป็นนัยยะแบบนี้นะถ้ากำหนดนามมาทำไม่สามารถกำหนดตัวเองได้ จิตรู้ตัวเองไม่ได้จิตจะเกิดทีละหนึ่งดวงอ น, นะถ้าถ้าโดยขนาดนะธรรมชาติของจิตนั้นจะเกิดทีละหนึ่งดวงแล้วจิตจะรู้ตัวเองไม่ได้ก็ก็ใครดูธรรมดาแบบนี้แล้วมองเห็นตาตัวเองได้บ้างอย่างนี้ดูไม่ได้แต่ว่าอันนี้เป็นการแสดงแบบสภาวะเขาเป็นเช่นนี้แต่ที่เจริญเนี่ยเจริญอะไรเจริญสภาวะอันนี้ใช่หม ไม่ได้ตัวที่ตัวนี้ในฐานะปริ ญ, ญยญาธรรม น, นะเป็นฐานะปริ ญ, ญยญาธรรมคือธรรมะที่ควรเข้าไปรอบรู้ถ้าเข้าไปรอบรู้ทีนี้ไอ้อุ ป, ปาทถีติพัง่ะแบบนี้เนี่ยนะเป็นไปแต่ละทีละอย่างทีละอย่างอันนี้เขาจะเรียกโดยสมุธานมันอุ ป, ปาทถีติพังคละไล่หลายอย่างเช่นถ้าเป็นนามธรรมนะ โดยเวทนามันเวทนาเหมือนกันเช่นโสมนัสเวทนาอย่างต่อเนื่องนะอุปาทถีติพังคะอุปาทถีติพังคะต่อเนื่องห้านาทีสิบนาทีหรือชั่วโมงหนึ่งก็เรียกว่าหนึ่งสันตติยนยะถ้าอันนี้โสมนัสนะถ้าโทมนัสลนะ่ะใครเคยเสียใจยสักสองชั่วโมงมีไหมมีไห ม, มเครียดสักสองชั่วโมงมีไหม แต่บอกเสียใจไม่มีนะแต่เครียดมีนี่ต่างกันตรงไหนไอันเดียวกันนั่นแหละมันโทสะทั้งคู่นั่นแหละเนี่ยนะเครียดสองชั่วโมงวิตกกังวลสองชั่วโมงหรืออาจจะบางคน น, น่าจะเกินมั้งเนีย่ยนะพวกนั้นก็ถือว่าหนึ่งสัน ต, ติแล้วก็ออเบคาอันนี้เรียกว่าพูดโดยเวทนาอีกในหนึ่งก็พูดโดยวิถี อย่างนีน้พูดโดยวิถีวิถีก็แบ่งเป็นการวิถีกับฌานสมาบัติฌานสมาบัติวิถีเช่นเข้าฌานกี่นาทีดีคุณผูชมสักสองชั่วโมงนะอย่งนีนก็ก็แล้วแต่เข้าฌานถ้าเข้าฌานอย่างเงี้ยนะก็เข้าฌานเท่าไหร่ก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งสัน ต, ติของแต่ละหนึ่งแต่ละฌานเช่นฌานที่หนึ่งสองีเนี่ยนะ จะเข้านานเท่าไหร่ก็ถือว่าหนึ่งหนึ่งสันตติไปเนี่ยนะอันนี้เขาเรียกว่าโดยสัมป ต, ติทีนี้ถ้าโดยอัตตาหมายถึงทั้งชาติทั้งชาตินี้เลยแต่ถ้าโดยสมัยในนี้จะไม่พูดถึงสมัยที่ไม่พูดสมัยอันนี้เป็นกติกาที่ตั้งขึ้นที่ตั้งขึ้นเองใช่ไหมเช่นเอาอะไรมาเป็นเครื่องวัดล่ะเช้าสายบ่ายเย็นอย่างเงี้ยนะ อเอาชั่วโมงมาวัดเอานาทีมาวัดอันนี้เป็นกติกาที่เรามามาตั้งกันเองว่ากันเองเนี่ยนะกลางวันกลางคืนเป็นต้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าโดยสมัยทีนี้ตัวตัวทั้งหมดนะทั้งจะโดยอัตตาเนี่ยนะโดยอัตตาโดยสัน ต, ติและโดยขณะถือว่าต้องไปรอบรู้ทั้งหมดเนี่ยนะถือว่าต้องเข้าไปรอบรู้เนี่ยนะ คือรู้โดยขณะนี้มันสามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่รู้ได้ทุกขณะ <Okay. S 1> อะนะฟังให้ดีนะโดยขณะสามารถรู้ได้แต่ไม่ใช่ไปรู้ได้ทุกขณะเนี่ยนะบางขณะรู้ได้กับบางสิ่งรู้ได้แต่ว่าไม่ใช่รู้หมดเลยตลอดสายไม่ใช่แต่อย่าลืมว่า mm hmm. ที่เจริญไม่ใช่ไปเจริญพวกนี้นะ พวกนี้ถ้าถ้าเปรียบเทียบนะเราเราอ่านหนังสืออ่านเอาความรู้ใช่ไหมไอตัวที่ประสงค์จริงๆอ่านเอาหนังสือหรือเอาความรู้เอาตัวความรู้ขณะที่คนอ่านหนังสือมากๆนะถ้าเราจะเปรียบเทียบโดยขณะเท่ากับอักษรแต่ละอักษรนะแต่ละแต่ละตัวนะแต่ละตัวเท่ากับขณะถ้าเป็นสันตติก็เหมือนกับแต่ละวรรคหรือแต่ละตอน หรือแล้วแต่ละบทเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นกลุ่มสันตติถ้ากลุ่มอัฐาก็คือเรียกโดยเล่มเนี่ยนะถ้าถ้าเป็นการอ่านหนังสือเนี่ยทีนี้คนอ่านหนังสือที่เป็นเล่มไม่รู้วรรคตอนก็ไม่ได้คนที่ที่รู้วรรคตอนดีก็ไม่รู้อักษรก็ไม่ได้มันก็สัมพันธ์กันเนี่ยนะก็สัมพันธ์กันแต่พอในชั้นคนอ่านหนังสือเนี่ยเขารู้เรื่องอักษรแต่เขาต้องไปนั่งคิดทุกอักษรไหม ต้องมานั่งโ อ, อ้แยกหมดนี่กอไก่นะพอถึงกอไก่เออนี่กอไก่เราต้องใสชี้แต่ว่านี้กอไก่นี้กอไก่ไม่ไม่ไมไมจําเป็นอะไรก็อ่านรู้เรื่องไปเลยเ <c oughs> นี่ยนะก็ด้วยอํานาจของปัญญาด้วยอํานาจความชำนาญนี้ก็ก็มองออกหมดแล้วเนี่ยนะนการการพิจารณาก็พิจารณาทั้งแบบนี่นะทั้งโดยหยาบโดยละเอียดแล้วก็โดยะนะกว้างขวางล็กซึง่งแต่วิปัสนาทั่วๆไปเนี่ยท่านนิยม ให้พิจารณาสันตติในชั้นละเอียดลงไปแต่ว่าจะพิจารณาทั้งโดยอัตาสัน ต, ติและขณะแต่ที่ขับเน้นในแรกๆเลยให้พิจารณาโดยอัตาเนี่ยนะวิธีวิธีแรกๆเลยน ะ, ะความเป็นวิปัสสนานี้อย่าลืมว่าอยู่ที่การพิจารณาโดยความเป็นอันนี้จังทุกขังแล้วก็อนัตตาเนี่ยนะ ผู้ที่เจริญวิปัสสนานี้โดยทั่วไปถือรู้แล้วว่าทำไมจึงเจริญวิปัสสนาเพราะว่าวิปัสสนาหรือที่เรียกว่าปัญญานั้นเนี่ยนะปัญญาเนี่ยเป็นเป็นธรรมะเพื่อโลกุตระเนี่ยนะเป็นกุศลธรรมที่เป็นไปเพื่อให้เกิดโลกุตระธรรมสิ่งนี้จึงควรเจริญหนักหนาเนี่ยนะควรควรเจริญทีนี้ปัญญาจะเกิดได้ก็ต้องไป รอบรู้อารมณ์เนี่ยนะเข้าเข้าไปรอบรู้อารมณ์ทีนี้การรอบรู้อารมณ์ที่เรียกว่าวิปัสนาตามอัตถกถาทั่วไปท่านจะเอาไปพิจารณาทั้งที่เป็นเรียกว่าอะไรอันนี้จังทุกขังอนัตตาและจึงเรียกว่าวิปัสนาทําไมในนี้ไม่พูดเป็นเรียกว่าอากําหนดรู้นามรูปพร้อมทั้งปจัจจัยทําไมไม่พูดไม่จําเป็นที่ว่าไม่จําเป็นเพราะอะไรเพราะว่าคําว่าอดีตอนาคตมันเป็นตัวบอกแล้ว บอกโดยโดยอัฏฐะอยู่แล้วเนี่ยนะว่าอดีตอนาคตปัจจุบันนั้นเป็นสิ่งที่สัมพันธ์กันใช่อาถามว่าอดีตแต่ชาติสัมพันธ์กับชาตินี้ไหมโดยชาตินะก็สัมพันธ์กันแล้วของชาตินี้สัมพันธ์กับของข้างหน้าต่อไปไหมก็สัมพันธ์ถ้าโดยสันตตินะอดีตสันตติสัมพันธ์ไหมกับ ปัจจุบันนะสันติก็สัมพันธ์ปัจจุบันนะสันติอันสัมพันธ์กับอนาคตต่อไปไหมแล้วโดยขณะล่ะโดยขณะก็สัมพันธ์กันอีกอย่างเช่นนะยกตัวอย่างถึงสันติของกรรมชรูปสันติเดียวจนตายเช่นจักรครูภาษาธาสันติของจักรครูภาษาธานีอุปาทาทีติพังค่าอุปาทาทีติพังค่อย่างนี้จนตาย แต่ถ้าเป็นอาหารชรูปอุตูชรูปจิตแต่ชรูปก็ว่าเป็นสันตติไปเนี่ยนะว่าเป็นอย่างอย่างไปแต่ถ้ากรรมมชรูปสันตติเดียวก็มีใครมีผู้ชายไปศับกับผู้หญิงบ้างอยู่ๆแล้วนะกรรมมชรูปเป็นผู้ชายเฉยเลยนะอีกพักหนึ่งเป็นผู้หญิงอ่ะนะเปลี่ยนสันตติแบบนั้นมีไหมแต่ถ้าโสมนัตยังมีอุเบกขาไปบ้างนะ ยังมีสั์เป็นอุเบกขายังสั์เป็นโสมนัสโทมนัสอุเบกขายังมีสั์ไปเรื่อยแต่กรรมไม่รูปเช่นภาวะรูปนะน้อยเต็มทีไม่ใช่ไม่มี ม, มีแต่ว่าสำนวนว่ามันอภโพรหาริกว่างั้นเถอะและที่มันาตัดเปลี่ยนเพศอันนั้นก็อันนั้นก็เปลี่ยนไม่รู้เปลี่ยนรูปไหนก็ไม่รู้นะรูปมันก็เปลี่ยนทั้งหมดะ <c oughs> ว่าเครื่องหมายของเพกับ พราะกลายกลายกลายไปเป็นผู้หญิงไหมดนะคือเป็นได้อย่างนั้นแต่แต่ว่าอันนี้พูดแบบคนทั่วไปมันมันมีพิเศษขึ้นมาอ่างนั้นแต่ก็ว่าเราจะนับกันยังไงอ่เป็นสันตติของก็ครอบครสันตติไปนั่นนะคครสันตติไปก็เป็นได้ใช่มคือในชาติเดียวนะคนบางคนอาจจะเหมือนพระโสระยะนะยกตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็มี เนี่ยนะพระสโสรยะเนี่ยเป็นชายก่อนเป็นบุตรเศรษฐีไปเห็นเห็นพระมหากัารยนตนะการยนต์เนี่ยกายนะ์แปลว่าทองโดยศัพนะการจ น, นะนะการจนะแปลว่าทองการยนะก็คือแปลว่าทองมีผิวเหมือนทองเพราะฉะนั้นไอโสรยะเศรษฐีบุตรคนนี้ไปเห็นแล้วนึกรักมากว่าเออนะี่พัญญาเราเนี่ยพึงผิวงามเช่นนี้หรือเราพึงมีพัญญางามเนี่ยผิวเช่นนี้ พอคิดอย่างนี้ปั๊บเป็นหญิงทันทีเขามีลูกอยู่สองคนแล้วเป็นเป็นเศรษฐีบุตรที่มีลูกสองคนแล้วก็ไปเป็นหญิงเป็นหญิงก็อายชาวบ้านชาวเมืองก็หนีไปอยู่อีกเมืองหนึ่งก็ไปแต่งงานก็ได้ลูกอีกประมาณสองคนตอนหลังก็ไปขอขมาพระท่านมหากัจจานะก็เป็นชายคืนเป็นชายคืนก็เห็นภัยของวัาตตะก็เลยบวชพอบวชพระก็จะถามกันวนะ่านี่อาบุโสด ถามจริงๆเหรอตอนที่ท่านมีลูกนะท่านตอนท่านเป็นผู้หญิงกับเป็นผู้ชายนะท่านรักลูกฝักตอนไหนมากกว่ากันตอนที่เป็นพ่อรักลูกกับเป็นแม่รักลูกนะคุณรักลูกตอนไหนมากกว่าเขาบอกเขารักตอนที่เขาเป็นแม่มากกว่าเขารักลูกเขานะตอนที่เป็นแม่ทีนี้พิสกสุก็จะเที่ยวมาถามนะพระสมัยก่อนเยอะหี่เขาจะคุยกันคุยกันถามท่านเบื่อมากต้องมาตอบปัญหาประเภทนี้ก็ปฏิบัติหลีกเล่นเป็นท่ารหารคนก็ไปถามใหม่ พล้วนี่ลูกฝ่ายไหนเนี่ยท่านรักหกันก็บอกรักเท่ากันนั่นแหละไม่รักเท่ากันนั่นแหละคือท่านเป็ไม่อะไรแล้วว่างั้นเถอะเป็นพระรละเอออง น, นี้พยากรณ์อวดว่าตัวเองเป็นพระอรหรันต์นี่ก็เลยไปกราบทูลมาพูดแต่เจ้าพระองค์ก็บอกว่าบุตรของเรากล่าวจริงเพราะว่าตอนหลังท่านเป็นพระอรหันต์ก็ถือว่าใช้ชีวิตคุ้มมากอาไหมมาไม่เอาเลย ถ้าเป็นท า, าระาเนี่ยตอนตาย ด, ดีตอนจบท่านดีนะของเราอาจจะจบไม่ดีเหมือนท่านอุดยผ่าตัดเรื่องนีน้ไปผ่า เ, เ, เป็นชายคืนไม่ได้แล้วก็นี่ยุ่งเลยเนไห